242ตัชนายกรรมมะกะถ า, าว่าด้วยตัชนายกรรมเรื่องภิกษุแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนายกรรม407ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาท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 ถูกสงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้น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 ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป ลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น